ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนกันยายนพศ2558ธรรมะวันหนึ่งคืนหนึ่งในวันนี้จะพูด ก, กับเรื่องการทำงานให้มีความสุข ก็สิบเนื่องมาจากว่าไม่นานมาเนี้ยเม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยมียาติธรรมคนหนึ่งมาปรึกษ า, าปัญหาชีวิตเลยนะหรือเ้าดูแลแม่กับพี่ชาย แล้วก็จะมีญาติคนอื่นด้วยเขาก็บอกว่าทุกวันเนี่ยเขาดูแลอยู่คนเดียวญาติของเขาเนี่ยไม่ค่อยเขาจะมาเกี่ยวข้องเลยทำเป็นเรื่องของไปละเลยธุระตัวเองซะให้ต้องโยนมาให้ ยาติทําคนเนีย้ต้องรับผิดชอบคนเดียวเขาก็บอกว่าเขาจะไม่จะไม่ค่อยไหวแล้วะรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็เขาก็เคยบอกให้ญาติเขามาช่วยดูแลบ้างแต่เขาคนนั้นก็ไม่ค่อยสนใจอะไรก็มีวันหยุดพากันไปเที่ยวไปอะไรเขาต้งรับผิดชอบคนเดียว เขารู้สึกน้อยใจระงุนหิดที่ญาติเขาทำอย่างนั้นแราะว่าจะทำอย่างไรที่จะทำหน้าที่ดูแลแม่ให้มีความสุขให้มีความสดชื่นให้มีปีติเขาจะวางใจอย่างไรดีเขาก็มาปรึกษา เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่อย่าว่าแต่แติดธรคนนี้เลยมันหลายคนที่ต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลพ่อดูแลแม่เนี่ยดูแลผู้ที่มีพระคุณครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงนี่ก็มีทนั้นแหละแต่บางคนก็มีปัญหาบางคนก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่ององความที่ไม่ เออไมมันมช่วยตัวเองดูแลยคนเดียวแล้วผิวชอบคนเดียวเนี่ยอันนี้เราก็ถือว่าเป็นปัญหาทั่วไปที่เคยได้ยินบ่อยๆที่จริงแล้วถ้าเรามองในแง่ที่ว่าให้มันถูกมุมถูกฝาถูกตัวซะหน่อยคือคนที่เราดูแลเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นก็คือแม่ของเรา เ็เป็นแม่ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดเราเราต้องทำหน้าที่กตัญญูต่อแม่ของเราผู้มีพระคุณอย่างนี้แหละเราไม่คำนึงถึงใครแต่เราเนี่ยมันมีหน้าที่จะต้องทำอย่างนี้ใครจะทำหรือไม่ทำเนี่ยไม่สำคัญนะครับเราได้ทำในส่วนนี้ได้ดูแลได้ตอบแทนบุญคุณก็เพราะ ก็ ค, คือคือแม่ของเราเาานี่ยทบลาลง่ายเดียวว่าแม่ของเราเราก็ต้องมาิดชอบเราเองอย่าไปหวังพึ่งพาคนอื่นเลยแต่อย่างน้อยแม่ของเราเนี่ยก็คือพระอาหารหันในบ้านเป็นพระอรหันสำหรับลูกทุกคนจะต้องดูแล พระอรหันเนี่ยถ้าเราทําบุญหรือกระตันยูกระตะเวทีเนี่ยเราก็จะได้บุญมากถ้าถือซะว่าเราทําบุญกับพระอรหันกันแล้วกันอย่าไปคิดอย่างอื่นแลาวอย่างหนึ่งก็คือท่านอยู่กับเราได้ไม่นานรอก อีมีชา้าท่านก็จากเราไปที่เวลาท่านจากเราไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสบายใจที่ว่าได้ทําหน้าที่กับท่านด้วยเต็มที่ในระยะสุดท้ายเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยซสียสลายอย่างเต็มที่แล้วส่วนคนอื่นเขาอาจจะคิดในแง่ที่ว่า เขาคงอย่ากบกคร่องไม่ดูแลผู้มีพระคุณระยะสุดท้ายแต่เราเองเนี่ยจะรู้สึกสบายใจที่ว่าเราไม่จะไม่มีสิ่งท้างขาดใจเลยกับคุณแม่ของเราเราก็ดูแลอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องไปสนใจคน อ, อื่นเขาเขาก็จะจะรู้สึกสบายนะใจจะสบายขึ้น แลาอย่างอย่าคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมเป็นกา ร, รมที่เราต้องใช้นี่เวรกรรมอย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราทําบุญไม่ใช่เราใช้นี่ถ้า่าเราใช้นี่กรรมเนี่ยเราก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะต้องใช้นี่แต่เราคิดว่าเราทาบุญเรามาสร้างบา ร, รมีธรรมรามาสร้างพื้นฐานจิตให้เป็นบุญถ้าคิดในง่เดียมันจะมีแต่บวกเท่งนั้นแหละ เวลาถ้าลมหายใยจากไปแล้วเราก็รู้สึกที่ว่าเออเราได้ทำบุญในส่วนนี้เต็มที่เนาะสิ่งที่เราเคยร่วงเกินอะไรท่านมาเนี่ยมันเป็นการขอขอมาอย่างดีที่สุดเลยอย่าได้ไปคำนึงถึงคนอื่นถ้าเราไปคำนึงถึงคนอื่นเนี่ยเราจะเป็นทุกข์มากมันจะเกิดการเปรียบเทียบว่าเราดูแลมากเขาดูแลน้อย มันจะกลายเป็นว่าเป็นปัญหาที่เนี่ยทำงานไม่เท่ากันทำหน้าที่ไม่เท่ากันเราทำมากกว่าที่จริงบุญเนี่ยนะใครทำใครได้นะทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเรางหาหน่าจะภูมิใจเนี่ยที่ได้ทำบุญในส่วนนี้ทั่วสาคัญมากนะแล้วท่านอยู่กับเราได้ไม่นาน่ะอินดตาท่านก็จากเราไป และริงท่านถ้าท่านรู้ว่าเราทะเลาะกาันไม่ถูกกันเนี่ยท่านก็จะไม่สบายใจที่นีตายไปด้วยใจที่สงบถ้าไม่ใจเป็นทุกข์แล้วก็เสื่อหมองตายไปเราต้องมองให้ดีว่าต้องรู้จักวางใจมันถูกต้อง การทํางานให้มีความสุขเนี่ยนะเีาคิดอยู่สองอย่างว่าเราทําหน้าที่ทํางานของเราเป็นหน้าที่เนี่ยให้ดีที่สุดเลยและเราก็อย่าไปหวังผลอะไรจากงานที่เราทำปล่อยผลงานเป็นผลงานไปแต่เราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วเนี่ยตั้งใจทําหน้าที่ของเราเนี่ยโดยที่ต้องไม่คํานึงถึงผลเนี่ย เราจะมีความสุขกับปัจจุบันกับกา ร, ร, รทันวาทีตรงนั้นนะนี่ก็เป็นเพียงแม่คิดที่จริงอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายในเรื่องแม่คิดต่างๆยังไงผู้วิพักคุณก็เราก็ไม่จบลงได้ง่ายเรเกี่ยวับเรื่องผู้วิพักคุณของเรานี่แหละไม่ใช่มีการต่อ ย, ยอดเรื่องข้างบลเรื่องของกุศล อ, อ, อีกมากมายหลายอย่าง ถ้าคิดได้เป็นบุญมันก็เป็นบุญนะถ้าคิดเป็นทางบาปอกุศลใจเรามันก็เป็นบาปอกุศลแล้วไม่มีประโยชน์อะไรนะเปลี่ยนมุมมองจิตใจซะมองในฝ่ายที่เป็นกุศลซะเราจะรู้สึกสบายใจและก็มีความสุข